เขาดขาใส่ฟอกใส่สัมแนมาเที่ยวหนึงคะัะคคคคคค้งไม่ยอมให้โอกาสอาก่าเขาควรจะเศษกระถิ่นหัวสับปูไม่มนี เป็นรับเป็นรับเคลื่อนแขงเค้นมาตอาห้องพเข้าเป็นรับมาตอหันต่อนเติมหันเติมนี่แก่เลยเนี่ยอุดอะไรสุด อ, อ, อะไรสุดอะไร่ววนนมทิตาโมทิตาโมทิตาทิสุนี เป็นคนสิงคโปร์ที่นี่ก็มีคนสิงคโปร์คนหนึง่งมาที่นี่มากับพวกเราไนะภิกษุภิกษุณีสามเณรลี่บาชกลอยจากไหมกุบาชกอะฮะลอยจากกุบาชกไหมไม่เพีน่นรอจากกุบาชกว เอ้ยผู้ขาก็ลุ้มนาลุ well, ้มนางก็ล enfin ุ้จัก่อนลุก่อแตดงอย้ฟังกอนพริกซุกแต่เคื่องโมเลงก่อนตแดงไปแล้วไปลืมพริกซีนีพริกซนีกับิก้พริกซนีกับมุทิตาสซมเนลีเนี่ยว่าศกเลยว่าศกเอจะไม่หรว่าศกฮะว่าศกมีบ้นังยังไง ขวบชิกานี่บ้านังเงินฮะขวบศกขวบศกวชิกาขวบศกวชิกาถ้าความหมายเนี่ะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไปตีราคาพิกขวบศกคือผู้ชายขวบชิกาคือผู้หญิงไม่ใช่ถ้าอยู่ขวบศกวชิกาคือพูดนั่งใกล้พระรัตนตรัย พระพุทนาฏไทไหมพระพุทธนาฏไทยศิษย์ขอวันที่สุดสามประการว่าจบวิกาคือผู้นั่งกล้พระพุทธนาฏไายพระพุนาไทยคือพระพุทธธรรมพระสง์ผู้มีคุณธรรมนั่ะธรรมของพระพุนาไทยพระจ้าคือผู้ลูกผู้สื่นผู้เบิกบาน ผู้อยู่ใกล้ใกลับความตื่นความเบิกบานผู้ใดอยู่ไกลๆไกลในแต่ความโลภความกอดความหลงผู้นั้นไม่ใช่วายศกไม่ใช่วายตกาผู้อยู่ใกล้พระราชลัยเนี่ยไม่ตกนรกติดวายและภูมได้เพราะใจดีใจดีแล้วพายศกใจดีแล้ววายตกาใจดีแล้วก็รำเกิ อ, อยู่ในอยู่ในพระัฒนาใจผูยอยู่ใกล้ๆถ้าพูดภาษาบ้านเราวรือ่าวาศกคือยมผู้ชายวาศิกาคือยมผู้หญิง น, น, นั้นผู้ชายกับผู้หญิงยังไม่ใช่ว่ า, าศกวาสิกาตามความเป็นจริงว่ า, าศกวาสิกาตามความเป็นจริงคือผู้ที่อยู่ใกล้พระัฒนาใจใกล้ศิลเมศิลเมธรรม ไม่แม่ทากรัวนาะผู้ใดโกธรเนี่ยว่าม่โนวาสุกได้เแี่เพ <c oughs> ี้ยนผู้ใดอาเบียดเบียนตนแองเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่าชาวาสุกวาสิกาอาาวาสุกวาสิกาคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเดงและผู้อื่นแล้วก็ช่วยด้วยช่วยตัวเองให้คนทุกข์ช่วยคนอื่นให้คนทุกข์นี่คือคนของอาาวาสุกวาสิกาแล้วก็ ในศีลมนธรรมในศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสมบูรณ์ม่่นคงในบริษัทภิกษุบริษัทมั่นคงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมผู้เห็นภัยในวัตจัภิกษุผู้เห็นภัยในวัตจะในวัตจักรที่สควม เปลนไหวตายเกิดทิศสู่ผู้เห็นภัในวัฏฏะเพือไม่ไม่เกิดไม่เกิดป่อยบ่อ ย, อยไม่เกิดโกรธไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตีช้าพระราชบาัตเป็นชีวิตที่จบลงจบลงเลยวางลงคนระับวางความทุกข์วางลงแล้วความโกรธวางลงแล้วความวิตกกังวล ว, วางลงแล้วตรงลงแล้ว สิงล่านั่นไม่เป็นภัยแล้วไม่เหมนเป็นภาระแล้วนะภิกษุหมายถึงผู้เห็นภยัยไม่ใช่ผ้าเหลืองหัวโล้นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นพิกษุพิกษุต้องเป็นพุทธรรมมีสติมีปัญญาช่วยตนเองได้ช่วยคนอื่นได้บ้างนะสามัญะสมณญะคือผู้เทศสงบ ดาวอารมณ์ทั้งหลายไม่โผลูแฟบแฟงมันน้ำไม่มีคลื่นน้ำไม่มีคลื่นสองเงาโลหน้าได้จิตของสมณะนาคือผู้สงบมาอาจจะไม่ใช่เทศสมณนาหมายถึงคนผู้สงบไม่โผลูแฟบแฟงจิตใจวางลงตรงได้ ใครก็เป็นได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นลูกแบบนุ่งสิ้น น, นั้นก็เป็นได้นุ่มเสื้อสีดำสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็เป็นได้แต่พระนะหรือทิศเนี่ยมีความหมายมากแสงบสงบจากท่าศึกไม่มีปิดขาพยาบาทเท่าไหรเลิกแล้วหยุดแล้วเย็นแล้วปล่อยแล้ววางแล้ว แม่มีก็ไม่เอาความโกรธมันมีอยู่แต่ไม่เอาบอกความโกรธเพินไปเช่นมันจะโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยเคยบอกความโกรธเพินไปไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วความโกรธเนี่ย whiskey, เช่นลูกกับพ่อกลัวจะทะเลาะกันพ่อจะทะเลาะกับลูกแม่จะทะเลาะกับลูกลูกจะทะเลาะกันก็บอกว่าแม่นี่ไม่เอาแล้วนะความโกรธบอกเพิ่นไปไม่เอาไม่เอา แม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ครอบครัวเราไม่อยากให้มีการวุ่นวายไม่เอาไม่เอาถ้าลูกเก็บกดกันไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลลูกอย่าไปโก้กันไปบอกว่านายเพียรว่าท่านเล่นกับหลวงพ่อทำอยู่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม่ไม่เอาชอบความสงบชอบความอ่าปกติชอบรักความอัศร์ดีสมานสมาที อันแจกเล่ากันเนี่ยไม่เอาไม่เอาบอกคืนไปบอกให้เขาคืนไปไม่เอาไม่เอาที่งเที่ยงเที่ยเรียว่าบอกคืนมีอยู่แต่ว่าไม่รับมาเท่าไหร่ก็บอกคืนบอกคืนบอกคืนหรือว่ารับไหวประเดี๋ยวเงียงหูฟังเดี๋ยวเขาว่าฉันกระโกลเขาว่าฉันกระโกลเงี่ยงหูฟังใจใจมันว่าอะไรมันว่าอะไรพูดกระกลฟังดูพูดกระกลฟังแล มันว่าอะไรโกมว่าอะไรื่องเรื่องหูฟังไงไม่ใช่ก็ได้เรี่ยหูฟังไม่ค่อยเงี่ยงหูฟังเสียงเสียงคำเรี่องหูฟังเสียงมานมเขาว่าอะไรโกเขาว่าอะไรกะนอกโกโลกโกร้านโกเขาว่าอะไรเรี่ยหูฟังไม่เอาบอกคืนไม่เอาไม่เป็นว่ามีอยู่แต่ไม่เอาความโกรธความโลภความร้องความรักความชังมีเท่าไหร่ไม่เอาทั้ง มาหนึ่งคืนหนึ่งมาสองคืนสองมาสามคืนสามบอกคืนไปบอกคืนไปนะเรียกว่าภิกษุอุปสมณะภิกษุอุบสมณะอ่าอ น, นีรก็มาผ่อนได้แต่ขเขาไม่ได้เพรวั น, นี่จะได้ดู ลงลงทานแค่หน่อยจะได้ทำความสะอาดพระเราฉันเสร็จแล้วเข้าลงทานลองดูจัดสิ่งจัดของเตรียมพื้นที่ไม่น้ำขังโยใต้วันล่างเถอเขาจบไปคนบอกมันไหลนี้วันแห้ง <c oughs> วันนี้จะไม่ยาติทำทาเรงามาจากคุรีลำจากเคยภูม กลับประเทศกมาแล้วกลับสิงคโปร์ก็มาแล้วยินดีป๊ไม่เพนี่นีต้อนรับที่เสมอเราให้ันมาแม่ค่าได้เป็นยันต์เหรอเห็นเห็นโยมมาวัดมาว่าอ่ะโอ้ยเซินช่อมเลยเนะแลกเซินช่อม แต่ว่าทางเราเข้ากับว่าไม่ประโยชน์แล้วเฮดชาลาหลังเมืนี่เทดว่าเทดว่าแต่พี่คนวายยว่าพักโอ้ยดีหลายเนาะอ่าตอไปตลอพอดิจังปิจังตุมังขอริสาผลีธรรมกามะแลนธรรมจแท้ี่ทรงมวสมิทตูชมสมฤติโดชพาักรเรนตุสังป ขอความดำริท <zo'> ังวงทรงเต็มที <kt> Não, ่จันโทวนละโสยทาติอนุจันในวันเดินอนนี้โชติโลวโสยทาวินแกมนียนสว่างสวยควงยินดีสาพินิโยวยจันโทความจันไรทางวงจุวงว่าไปสรรพโรโกวิณาโสตโรกทักรวงของจันจุมา อาเทปวันวันตระยอันดับรยามีเกิดอนสุขีที่กายคุบวาอันจงเป็นมีความสุขมีอายุยืนอาภีวัตนสีลิสนาเจ้ามุตตโนจะตารตมาวัตติอายุนโนสุขังลองสีประการเกอยรยุวันนาสุขะ ย่อมจะเดเกี่ยวกับคมีปกติไหวกระมีปกติวันน้อโจผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะดุสสปัมมังกังขอสาปองคุจงมีเกรพระคันดุสสาะเทวดาขอหลังเทวดาทั้งคจงรักษาตนสาปานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุเจ้าสพปธรรมานุภาเวนะ โยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะโยอนุภาพแห่งพระสงฆสัตตาสุติโนวันตุเตขอความวัสดีทัยจงมีแต่ท่านดวงวิมิสังขยโยเสวินตวะังปฏิเสวะมิเนวตวายณัมทะายณัมทะนาญาณิกุนาญา เทวีมาสกาย a สัจติญาญาณารายิงสุบรัติยาพระมัจจรียานุกัญญายิจิปุรานจเวตนินเวตนุสมิาามสสตตสวรติ